เขาเจริญพรเขาเจริญพรสาธุชนทุกท่านนะส่วนใหญ่เวลาได้รับโนนให้มาบรรยายในเรื่องพเพลจิตแ ค, ร, ร, ร, ร, ร, อคอร์เนี่ยหรือการแพทรักษาแบบขั้ประคองเนี่ยพวข้อที่มักจะได้รับมอบหมายให้พูดคื อ, อเตรียมใจผู้ป่วยให้ตายดีนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องการตายดีแต่เป็นเรื่องการทําจิตใจให้ดี เรื่องจิตใจนี่สำคัญนะเพราะว่าเกือบจะร้อยทั้งร้อยเนี่ยนะเมื่อป่วยไม่ได้ป่วยจากกายนะป่วยใจด้วยป่วยใจในที่นี่หมายถึงความเครียดความต ก, กวความวลความอารมณ์ความโปรนะความกลัวอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันทำให้ จิตใจแยํมแย่เรียกว่าป่วยใจแล้วก็มักจะซ้ำเติมทำให้ร่างกายเนี่ยอาการเครียดหนักขึ้นคุณมากรณ์เวสสีเคยเล่าว่ามีคนไทน้คนมาหาท่านที่โรงมยาสิลสืลใสมัยที่ท่านยังรับราชการอยู่ท่านเป็นหมอด้านโลกเลือน คนไข้คนนี้นุ้มชายวัยกลางคนตัวซีดไม่มีเรื่องไม่มีแรงต้องนอนเปลมาให้ท่านตรวจท่านก็ดูอาการคนไข้แล้วก็สักถามประวัติสักพักก็หันไปคุยกับ r e s i ิเดนแล้วก็บอกว่าคนไข้คนนี้ไม่เป็นอะไรมากนะที่ตัวซเดก็ ว, ว่ามีที่ยาปากขอเดี๋ยวให้กินเหล็กก็จะหายวันไหายคืน พูดจบก็หันมาที่คนไข้คนไข้เนี่ยลุกขึ้นยืนได้เลยเดิมเนี่ยไม่มีแรงจะเดินมาหาหมอแต่ตอนนี้ลุกขึ้นยืนได้เลยล้วก็บอกว่าหมอถ้ามันหายง่าแบบนี้เนี่ยผมไิ่ตใช้อะไรเลเอกเรเ่ยนะเข็นเปลเลยเลยทีแรกไม่มีแรงเดินนะแต่ตอนนี้มีแรงเข็นเปลแล้วทํานะทไมหมอยังไม่ตัดให้ยาอะไรเลยนะกลับดีขึ้นที่จริงควรจะถามหม่ว่าทําไมเนี่ยแค่ มีพยาติเนี่ยถึงไม่มีแรงถึงหมดสภาพมันสสดยให้เห็นเลยว่าเป็นพอใจคนไข้คนคนี้แกจะคิดว่ากำลังทุบ ก, กำลังเป็นมะเร็งกำลังเป็นโรคร้ายแต่แล้วก็ไปเชื่อความคิดปรุงแต่งก็เลยเกิดความกลัวความวิตกก็นะ พอใจแย่ยก็ทำให้ร่างกายเนี่ยแย่ตามไปด้วยบางคนเนี่ยไม่มีความผิดปกติทางกายหาสาเหตุทางกายไม่พบแต่ก็ป่วยบางคนปวดท้องปวดหัวเรื่องบางคนอาจจะตัวผอมอวัยวะที่เกี่ยวกับเรื่องการย่อยอาหารเนี่ยแย่ทำอะไรไม่ได้พอกว่าพอ สาวก็จริงๆแ้พบว่าเขามีความโกรธอาจจะโกรธแฟนที่ไปมีกิ๊กหรือโกรธที่สาวที่ไม่สนใจดูแลสิ่งที่หมอทาคืออะไรนะได้นำให้เขาให้อภัยขอเขาให้อภัยเท่านั้นนะปรากว่าอาการก็ดีขึ้นเลยมันก็น่าจะดีขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ารัาการไม่ผิปกติ แต่พอมีความกลัวก็ดีความกลัวก็ดีเนี่ยมันสามารถจะชุวให้กายนี่แย่ในประเทศอังกฤษเนี่ยขเขาพบว่าคนที่ไปหาหมอโดยพ่อที่เป็นหมอประจำบ้านจีพีดึกในสามเนี่ยไม่สามารถจะพบสาเหตุทางกายถ้าั้นที่มีความปกติทางกายเนะช่นลมชัก ปวดเลื้อรังหรือว่านอนไม่หลับบางคนเป็นอัมาพาตทีเดียวนะไม่พบความผิดปกติทางกายนะฮะสาเหตุที่ไหนในใจหนึ่งในสานะของคนไขยที่มหาหมอที่ประเทศอังกฤษอ่ตมาขึ่นในเมืองไทยก็ไม่น้อยทีเดียวนะที่ มีความป่วยใจเสร็จแล้วก็ไปทำให้กายเนี่ยสุดและหมอเนี่ยถ้าหากว่าไม่สนใจเรื่องใจนะจะไปหาความผิดปกติทางกายก็หาไม่เจอให้ยางไงก็ช่วยได้ช่วคราวในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าคนป่วยเนี่ยพอใจก็สบายนะร่างกายมันดีขึ้นใจสบายเพราะอา ได้ายคัอาจจะเพราะว่าศรัท ธ, ธาในตวัวหมอเซอร์วิลเลมออสเลอร์เนี่ยซึ่งเป็นเจ้เป็นบีดาการแพทย์แผนใหม่นะหรือเพราะแนองกฤแล้วก็อเมริกาเวลาคนพวกเวลาเซอร์วิลเลมออสเลอร์เนี่ยเข้ามาในห้องผู้ป่วยนะผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นทันทีเลยเพราะอะไรครับเพราะมีความศรัท ธ, ธาในตวัวหมอ เห็นหมอแล้วสบายใจรู้ว่าหมอเนี่ยใส่ใจเขานะแล้วก็เชื่อในความสามารถของหมอด้วยหมอยังไม่ทันจะทำหัตการเลยคนไข้รู้สึก ด, ดีขึ้นนะอันนี้ก็สอดคล้องกับบิดาของวิลเลียมเบลช์ซึ่งเป็นผู้ก่อตังาาา้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์บิดาของดออรวิลเลียมเนี่ยเป็นหมอก็เหมือนกันเลยนะ เวลาคนไข้หนูได้เจอหมอคนไข้สุขดีขึ้นเลยยังไม่ทานให้ยายังไม่ทานอัตตการเลยมีคนพูดด้วยวิริยะอัเซลเคยบอกว่าเนี่ยให้ความสมั่งเข้าในการรักษาคนไข้ได้มันไม่อยู่ที่ทักษะหรือความรู้เขาเลยนะแต่มีที่ความเชื่อความศรัทธาของคนไข้ซึ่งนั่นอนว่สาสมคัญกับบุคลิกของคุณหมอด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใจสำคัญแม้กระทั่งเวลาเจ็บปวดเนี่ยมันมีคนแค่คนหนึ่งเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วแกก็ปวดมากหมอให้หมอร์ฟีนก็ได้ผลไม่ไม่นานแกก็จะร้องขอขอมอร์ฟีนอีกหมอให้แค่ทุกสามชั่วโมงแกจะเอาทุกชั่วโมงเลยพยาบาลทนไม่ได้ ที่หมอสั่งห้ามนะว่าว่าให้มอร์ฟีนเพิ่มไม่ได้นะเร็วกว่า น, นี้ไม่ได้พยาบาลเห็นคนไข้ร้องวุ่นวายโอดโครนมากก็เลยส่งเคราะห์ให้ยาคนไข้พอได้เสร็จก็หลับเลยสบายใจหลับเพื่อนก็ไปต่อว่าพยาบาลว่าให้ได้ยังไงหมอสั่งห้ามพยาบาลบอกว่าไม่ได้ให้มอร์ฟีนนะให้วิตามินแต่คนไข้เนะี่ยเชื่อว่า สิ่งที่ได้รับเนี่ยคือมอร์ฟีนพอได้รับก็สมปรารถนานะใจสบายก็หลับนะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เรารู้จักกันดีนะในชื่อพลั i เซโบปรากฏการณ์ยาหลอกพลั c เซโบเอฟเฟกมันเป็นเรื่องของใจเพราะฉะันเนี่ยเรื่องของใจเนี่ยเราควรให้ความสำคัญเพราะว่ามันสามารถจะช่วยทำให้คนไข้เนี่ยอาการดีขึ้นได้ เลยวคนไข้ยสุดท้ายซึ่งจะมีความป่วยใจอย่างยิ่งเพราะมีความกลวัวคราวนี้เนี่ยก่อนที่มาถึงว่าจะทําอะไรจะช่วยผู้ป่วยอย่างไรเนี่ยตามาคิดว่าผู้ดูแลสําคัญ ต, ตามาเชื่อท่าทีของผู้ดูแลเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลหรือญาติสิ่งที่ผู้ สิ่งที่ผู้ดูแลควรจะมีคืออะไรเนะี่ยความรักความเมตตาที่ข้อแรกเลยความรักความเมตตาคนไข้เนี่ยเขามีความกลัวโดวยเฉพาะใครแล้สุดท้ายกลัวตายบางคนกลัวตายคนเดียวคนไข้หลายนคนเนี่ยถึงเวลาคือแตไม่ยอมหลับเพราะกลัวว่าถ้าหลับไปแล้วเนี่ยคนดูแลก็จะหลับด้วยแล้วถ้าเกิดเัวเองตายตอนนั้นเนี่ย ก็จะไม่มีใครอยู่ดูใจใล้คนไข้คนเนี่ยถึงกลางคืนนอกจากจะไม่หลับยังพยายามปลุกให้ผู้ดูแลตื่นเพียงแค่ได้เห็นหน้าว่าเขายังไม่หลับฉันก็สบายใจนะผล ค, คืออะไรคนผู้ดูแลก็แย่คนไข้เนี่ยนอนไม่หลับตาเป็นหิ้เป็นตานผู้ดูแลก็เหมือนกันแต่ผู้ล้ผู้ดูแลก็จะ พอนอนไม่หับก็หมดสุขภาพแย่อันนี้มันแสดงถึงความที่เขากลัวตายแต่ความกลัวนะัมันไม่มียาที่จะเยียวยาได้ถ้าเป็นยาธรรมดาแต่ถ้าเป็นความเมตตาเนี่ยมันจะช่วยมันเหมือนกับธรรมโอสถนะที่จะช่วยเยียวยาคนไข้เนี่ยให้หายกลัวแม่ลูกเนี่ยเวลากลัวเนี่ยนะอยู่ใกล้แม่เนี่ยลูกก็จะหายกลัวเพราะมั่นใจในความรักของแม่ ความเราผู้ดูแลสำคัญครับนะถ้าทำให้เขามั่นใจว่าเราจะดูแลเขาตลอด24ชั่วโมงจะดูแลเขาเต็มที่ไม่ว่าอะเกิดขึ้นเขาเนี่ยก็จะดูแลคนไข้ในสุดก็จะเริ่มสบายใจอามาคนหนึ่งกก็ปลุกนะปลุกคนดูแลตลอดคืนเลยนะแต่ตอนหลังเนี่ย ทางผู้ดูแลก็ซึ่งเป็นลู ก, ลกหลานเนี่ยก็ตกลงกันว่าจะจะแบ่งเวรกันนะกลางคืนเนี่ยเวลาคนละสี่ชั่วโมงและตลอดสชั่วโมงนั่นจะไม่นอนนะทำอย่างเงี้ยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจนกระทั่งอมาม่ายังแก้มั่นใจว่าแกอยู่ในความดูแลอยู่ในสายตาของลูกหลานยี่สิบสี่ชั่วโมงแกสบายใจ แกมั่นใจในความรักของความใส่ใจของลูกหลานสุดท้ายแกก็เรียกลูกหลานกลับไปนอนลึกกลับไปนอนได้ไหมสงสารเป็นห่วมใ่ลูกหลานให้ไปนอนนะพร้อมที่จะนอนคนเดียวนะใจแกพร้อมเพราะใจแกมั่นใจในความรักของคนดูแลนะความรักความใส่ใจเนี่ยมันไม่ต้องแสดงด้วยการพูดที่เพราะบางที น้ำเสียงที่อ่อนโยนแววตาสัมผัสที่อ่อนโยนที่ช่วยได้มีหมอจบใหม่คนหนึ่งไล่ฟังว่าคืนนี้ก็ขึ้นเวรหนึกงนะกำลังคือกับพยาบาลอยู่พรากว่าเด้ยินเสียงขย่าเตียงพยาบาลก็เลยไล่ฟังเนี่ยเสียงที่มาจากใจเตียง ไม่ไม่ทราว่าชื่อจริงหรือว่าชื่อชื่อสมญาณที่ตั้งให้นะเพราะยายเตียงชอบเขย่าเตียงแก้ยุทธาเรื่อปอดปอดกลัวเมื่อไรต้องใส่ท่อเมื่อใส่ท่อเสร็จก็ต้องมัดเอามัดแขนเอาไว้หมอจบใหม่นเนี่ยนะยังอ่อนประสบการณ์ก็ไปหายายเตียงถามว่ายายหายใจไม่ออกเหรอยายใส่หน้า ยายเหนื่อยเลยแล้วก็สายหน้ามองไปที่มือแกเลยพูดว่าเลยถามว่ายายอยากให้ถอดท่าที่มัดมือใช่ไหมแกพยายาหน้ายายลาคายใช่ไหมยพยายามหน้าหนูถอดให้ไม่ได้นาะยายเพราะถ้ายายเพราะถ้าถอดแล้วเนี่ยยายก็จะดึงดึงท่อแล้วถ้าใส่ท่อใหม่มันเจ็บใช่ไหม ย, ยายเจ็บใส่ให้ไม่ได้หรอกไอถอดถอดผ้าไม่ได้หรอกแกไม่พอใจคันยาวเลยนะ นักสามเอหมอไม่รู้ทำยังไงที่สุดก็เลยจับมือกุมมือแกเอาไว้คอยกุมมือแกก็นิ่งแล้วแกก็มองที่หมอหมอมองไปที่เดญ่เตียงศกตากันแววตาบางอย่างเนี่ยมันทำให้หมอถามึ้นว่ยาอะไรยหเหงาใช่ไหมใหญ่ยยเหงาไม่มีใครเคยมาเยี่ยมยหญเลยงั้นหนูจะอยู่เป็นเพื่อนใาย่พอพูดเท่านี้นะ ยายแกหยุดเลยนะไม่ขยับแปลว่าอไรแล้วแกไม่ได้ลองแกไม่ลําคาในจมูกนี่นะแกลองคาที่ใจแกลองคาที่ใจไม่มีแคไมเยี่ยมแกหนาวตลอดเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงที่หมอใไอดูเป็นเพื่อนแกแกนิ่งเลยนะคันหมอหมอเนีได้เวลาที่จะลงเวรพอเดินก้าวไปไม่กี่ก้าวแกขยับ หมอเลยกลับไปบอกยายว่ายายอย่าขยาับนมันดึกแล้วค น, นจะนอนไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะมาเยี่ยมยายใหม่ให้เชื่อห้จจัจะหยุดขยับเลยนะมันไม่ใช่เรื่องความรู้ที่กายนะเป็นความรู้ที่ใจและวิธีแบบนี้เนี่ยมันไม่มีในตำรานะการหมอไม่ได้ทำารรการอะไรเลยและวิธีที่คงจะไม่ได้มีอยู่ในบทเรียนที่นักศึกษาหมอเคยเรียนตอนเป็นนักศึกษาด้วย แต่ความรู้สึกฮะความใหต้ตาความใส่ใจเพราะคนไข้เขาต้องการเพื่อนครคนไข้เรามันเหงาไม่มีใครเยี่ยมเพียงแค่หมอเพียร์หรือพยาบาลเป็นเพื่อนกขาเนี่ยเขาสบายใจบางทีไม่ต้องทำอัตาการอะไรมากความรักสามารถแสดงออกด้วยการให้เวลาเวลาเวลาทําอะไรฮะเวลาที่จะฟังเฮ้ อันนี้ก็จะมาสู่เป็นอันที่สองคือการรับฟัง้าท่าทาของผูผ้ดูแลเนอกจากให้ความรัแล้วเนี่ยมันจะนำสูกรร่การรับฟังการรับฟังมั่สำคัญคนไข้ก็มีความทุกข์มากแต่ไม่ค่อยมีใครที่จะฟังเขาคนไข้กูจะบอกว่าเนี่ยมันมีแต่คนสั่งเขา อยู่ในอยู่ในอยู่ใ น, อ ย, ใ น, อ, ยในอยู่ในโรงพยาบาลมีแต่ทุกคนมีหน้าสั่ตั้งแต่หมอพยาบาล น, นะแลกระทั่งพนักงานทางความสะอาดก็สั่งแกคนไขาจะดีใจมากถ้ามีคนฟังและคนาข้ามีความทุกข์หลายอย่างอาจจะเป็นความทุกข์ที่ไม่เกี่ยวกับโรคเลยนะเป็นความทุกข์เกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับงานการ แกจะมีความทุกเกี่ยวกับเรื่องโรคคนไข้เนี่ยถ้ามีโอกาสได้ได้พูดและมีคนฟังเนี่ยคนไข้จะรู้สึกดีนะครคี่คนไข้เเป็นเะเริง ต, นต้นนมนะแกก็ไปรักได้การฉายแสงเคงมีโมตามปกติแต่ก็เสร็จก็ยังปวดมากแ ก, กว่าปวดมากเหรือเกินแต่หมอและพยาาสังเกตเวลาแกเดินเถอะเนี่ยเหมือนคนปกติวันหนึ่งยาบาลก็เลย ลากเก้าอี้มาแล้วคุ ย, ย ก, กับแกคุยเป็นชั่วโมงนะแต่จ่วนใหญแกเป็นฝ่ายคุยคนแค่เป็นฝ่ายคุยก็จะคุยเรื่องสามีกับลูกชายเธอรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจสามีลูกชายไม่มาเยี่ยมเลยมีความโกรธ ด, ด้วยพี่นอนฟังอย่างเดียวไม่ซักไม่ถามไม่ซอดไม่แท้พอเธอพูดจบสิ่งที่เกิดขึ้นคือเธอรู้สึกความปวดมโนอารมแสดงว่าความปวดก้อนใหญ่เนี่ย มันเกิดจากความทุกข์ใจคือความโกรธความนนเนิ่นๆต่ำใจพอได้มีคนฟังมันก็เหมือนกับว่ามันก็คลี่คลายลงไปเหลือแต่ความปวดกายแต่ความปวดใจมันมันเบาล้มีอีกรายนึงนะคนไข้เนี่ยเป็นมะเร็งแล้วก็ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ดีนะหาจิตอาสามาเยี่ยมจิตอาสาวันนี้ชุดแก้ว เธอมาเยี่ยมคนไข้ทุกวันแต่ส่วนใหญ่นะไม่ได้ฟังคนไข้นะเธอเนี่ยมีแต่พูดให้คนไข้ฟังเธอมีเรื่องขับข้องใจเธอก็มาเล่ามาระบายวันละเป็นชั่วโมงบางทีวันไหนไม่มาก็โทรศัพท์คนไข้ก็ดีนะคนไข้ก็พยายามที่จะ ฟังแล้วก็ให้กํบบาลังใจบางทีก็จับประเด็นให้ให้กับจิตอาสาด้วยทำอย่างนี้เป็นเดือนนะแล้ววันึจิตอาสาก็มามาเยี่ยมคนไข้หน้าตายเยี่ยมแจ่งสแล้วก็บอกว่าพี่พี่รู้ไหมเนี่ยหนูเนี่ยนะก่อนที่มาหาพี่เนี่ยหนูไปหาจิตแพทย์มาก่อนที่จะเป็นจิตอาสาเนี่ย แต่ว่าจิตแพทย์คนนี้เนี่ยเขาไม่สนใจเลยไม่สนใจฟังหนูเลยหนูก็เลยมาเป็นจิตอาสาวันนี้หนูกลับไปใหม่ไปหาหมอวันนี้หมอถามว่าคุณไปทําอะไรมาคุณดีขึ้นเยอะเลยก็เลยนูไม่ดีขึ้นเยอะเพราะอะไรดีขึ้นเยอะเพราะว่าได้เล่าได้ได้ระบายให้คนไข้และคนไข้ก็ฟังเธอดีขึ้นเพราะคนไข้ฟังแกนะ จ ร, จริงๆเนี่ยจิตนาสมาต้องฟังคนไข้นะแต่และนี่กลับกันนะแต่ได้ผลมันก็คือพอฟังแล้วเนี่ยคนพูดดีขึ้นการฟังเป็นการเดียวยาถ้าพยาบาลมีเวลาฟังคนไข้บ้างถ้าคนไข้อา Thai ถ้าจิตนาสาหรือยากิมีเวลาฟังคนไข้บ้างนี่ยจะดีนะเพราะคนไข้มีเรื่องอยากจะพูดเยอ ะ, ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้เป็นฝ่ายฟั ง, ฟง และสิ่งที่ได้ยินเนี่ยมักจะเป็นคำสั่งแม้กระทั่งญาติเองก็สั่งนะเพราะเราเห็นว่าคนไข้เนี่ยหมดสภาพแล้วพิจรารณาญาณการตัดสินใจไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยต้องสั่งต้องสั่งบางทีคนไข้เนี่ยเขาต้องการคนฟังและคนเข้าใจทนะี่สำคัญมากผูที่สาคือใส่ใจความรู้สึก ข, ของเขานะซึ่งมันก็โยงกับความเมตตากรุณาอัตมาจัดอบรมบูชาความตายสนบเนี่ยีละหลายครั้ง แล้วทุกครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวันสุดท้าก็จะพาคนอบรมเนี่ยไปเป็นจิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลไปเป็นคู่คราวหนึ่งจิตอาสาคู่นก็ไปไปไปเยี่ยมคนไข้คนไข้เป็นคุณลุงแกแกปวดที่ทวาลรแล้วแกก็ปวดถึงขั้นร้องครางจิตอาสาได้นำตัวเสร็จจิตอาสาก็ถามว่า คุณลุงครับคุณลุงปวดเนี่ยนะไอ้ที่ว่าปวดมันเป็นอย่างไรครับเพราะคนไข้เขาบอกว่าปวดปวดปวดนะอยู่าสารก็ถามว่าคุณคุณลุงเนี่ยไอ้ที่ว่าปวดเนี่ยปวดอย่างไรครับคนไข้บอกว่าชอบมากเลยนะคนไข้บอกว่าเนี่ยไม่เคยมีใครถามว่าแกปวดอย่างไรบ้างแกรู้สึกอย่างไรที่ตอนเวลาเวลามันมีอาการปวดขึ้นมาลูกก็บอกให้ทําใจ พยาบาลก็ให้แต่ยาหมอก็ให้แต่ยาแก่มีความแก่พอใจมากเลยที่จิตสาถามว่าปวดอย่างไรเพราะแกต้องการคนเข้าใจนะเข้าใจแหละเข้าใจความรู้สึกคนไข้เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเขาต้องการเขาไม่ได้าเขาาต้องการเพื่อนนะฮะเพื่อนที่จะฟังเขานะใช้ตัวช่วยอย่างแรกที่เราอย่างแรกที่ ถ้าเราจะเป็นญาติก็ดีนะหรือแม้กระทั่งเป็นหมอพยาบาลเนี่ยการเป็นเพื่อคนไข้เนี่ยสำคัญนะ๋ยไปอยไปอยไปยไปให้จะเป็นเน้นเรื่องการสั่งหรือแม้กระทั่งการแนะนำมีการทำวิจัยพบว่าสิ่งที่คนไขร้ระยะสุดท้ายไม่ชอบมีหประการอันแรกคือ ความปลอดใจว่าไม่เป็นไรเด็กก็หายทำไมฮะทำไมก็ไม่ชอบเพราะกรร่วมมันไม่จริงและคนทุกคนก็พูดแบบนี้มันก็เลยเป็นความเป็นคาที่กลวงสองคำแนะนำสั่งสอนเข้มแข็งนะทำใจนะปล่อยวางนะคนเราเกิดมาก็ต้องตายนะฟังดูดีนะแต่คนไข้ไม่ชอบเพราะทุกคนก็พูดแบบนี้ และความในยากงมันเนี่ยมันกาลังบอกคนไข่เนี่ยนะไม่เข้มแข็งบางคนจะพูดเลยนะบางคนของคนบางคนเนี่ยเวลามีเพื่อนบอกวเนี่ยเข้มแข็งนะสู้นะแกจรู้สึกเลยว่าก็กูก็สู้อยู่แล้วแต่แกจะพูดไม่พูดออกมาแค่นั้นเองเวลาบอกเขาเข้มแข็งเนี่ยนะเข้มแข็งในการกาลังมีแนะบอกว่าเธอยังไม่เข้มแข็งมันมีความตำหนิไกล่ไกยนะ แล้วว่าทำใจทําใจนี่ก็เป็นเป็นคําที่คนได้ยินมาเยอะมากมันกลายเป็นคาที่กลวงจากนี้เขอเขาต้องการถือความเข้าใจคนที่ฟังเขาข้อที่สามเนี่ยที่คนแค่ไม่ชอบคือการที่ลูกหลานเนี่ยทะเลาะกันข้างเตียงเขาข้อที่สี่ก็คือสายเรายงระย่าง นะข้อที่5ก็คือการที่เขาไม่มีเสรีภาพการที่เขาถูกสัง่งจริงอยู่นะไอ้ความควา ม, ความการสั่งเนี่ยมันเป็นความป่าเถนาดีส่วนใหญ่ก็อยากจะให้คนไข้หายแต่ว่าความสนใจของคนไข้ความใสความสิ่งที่คนไข้คอนเซิร์นเนี่ยนะใส่ใจกับสิ่งที่ ญาติหรือพยาบาลหรือหมอคอนเซิร์ตเนี่ยมันต่างกันเสมอคนไข้ก็ต้องการออโตโนมีนะครับความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองแต่สิ่งที่ญาติพยาบาลและหมอใส่ใจก็คือความปลอดภัยบางทีมันขัดแย้งกันนะคนไข้ก็ต้องการนะเพราะว่าเข า, เข า, เข า, เขาสูญเสีภาพไปเยอะแนละ้วยิ่งมาถูกมักมีสายหรืยอยงรยางค์เนี่ย แลยิ่งสั่งสๆเงที่อื่นเนี่ยเายิงสุดแย่อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพยายามพบ ก, กันืึองทางให้ได้ระหว่างออโตนมีสลับภาพความเป็นตั ว, ตวเองกับความปลอดภัยอันนี้ถามว่าผู้ถึงการเตรียมใจนะตมาก็จะพูดว่ า, อ, าอะไรบ้างที่ช่วยทำให้คนไข้เนี่ยเขาจิตใจสบายหรือว่าจิต ด, ดีใจดีัด้างลางที่ทร่างกายป่วย เราตามูดไปแล้วนะว่าคนป่วยเนี่ยเขาไม่ป่วยกาย เ, ยเขาป่วยใจความป่วยใจก็แต่ความกลัวความโกรธความพ่ตกกังวล น, นะแม้กระทั่งความรู้สึกผิดในะความกลัวเนี่ยเราก็คงทราบใช่ไหมฮะความกังวลเราก็เห็นเข้าใจได้เนี่ยความโกรธคืออะไรฮะอาจจะโกรธเพราะว่ามันมีทุกขเวทนามันมีความ เวลา ม, มีความเจ็บปวดเนี่ยคนทุกคนก็โกรธนั่นแหละเวลาเราโดนยุ่งกันก็โกรธนะเวลาแดดร้อนเราก็โกรธนะแต่บางคนโกรธเหมือนกับว่าทําไมต้องเป็นชั้นฉั้นทําความดีมาตลอดเชื่อไมต้องเป็นชั้นบางคนโกรธเพราะว่าตัวเองทําีทำกุศมาตลอดแต่ทำไมต้องมาเป็นแบบนี้ความสุขที่ก็มีนะบางทีรู้สึกที่ว่าตัวเองเป็นภาระของลูกหลานฉันไม่นํามาป่วยเลยเป็นภารา ลูกหลานต้องขายที่นะเป็นหนี้เป็นสินข้อชั้นนะไอ้คนนี้เนี่ยมันรู้แต่ทําให้จิตใจยแยนะ้มแย้ทีนี้ถามว่าเราจะช่วยทําให้เขาช่วยทําให้เขาใจสบายได้อย่างไรอาจาาจะพูดรวมๆมัมจะไม่ได้พูดแยกแยะในว่าวิธีไหนช่วยเยียวยาเรื่องปวด เ, เรื่องเรื่องเรื่องกลัวเรื่องโกรธนะรู้สึกผิดแต่จะพูดรวมๆไปเลย หนึนะ่ถ้าทําได้เนี่ยพยามช่วยเขายอมรับความจริงว่ามันเป็นธรรมดาอันนี้รวมไปถึงคนที่เขาทําความดีมานะแต่ทําไมต้องมาป่วยก็เคยมีคนถามอย่างนี้ธรรมะธรรมะก็บอกว่ามันเป็นธรรมดานะเพราะแม้แต่พระสงฆ์เนี่ยนะคุณถือศีลห้านี่คุณยังป่วยพระสงฆ์ถือศีลสองยี่สิเจ็ดก็ป่วย คนที่เป็นมะเร็งไม่ได้มีแต่คนทั่วไปเท่านั้นนะพระรยาเจ้ากระหลายก็เป็นมันเป็นธรรมดานะมันไม่ได้แบบคุณต้องทําชั่วมาคุณนี่ต้องคุณนี่ต้องเป็นโรคมะเร็งนะเพราะว่าคนเราเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เลือกเป็นเฉพาะคนที่ทําชั่วนะไม่เป็นจะต้องเกิดขึ้นกับคนที่อ่ากิดล่าสูบบุหรี่ นะแล้วก็ทําคนที่ดูแลสุขภาพดีก็อาจจะเป็นมันเป็นธรรมดาน ะ, ะการที่สองคือว่าพาใจให้เขากลับมาอยู่กับปัจจุบันส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยนะใจเขาเนี่ยจะไม่ค่อยได้อยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่นะเขาลอยฮะก็จะคิดไปถึงความสุขสมัยที่ยังมีสุขภาพดีแต่ส่วนใหญ่แล้วไปคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง กังวลว่านี่ฉันจะตายแล้วหรือนี่กังวลว่าเนี่ยถ้าฉันป่วยหนักหายใจไม่ออกหรือว่าอยู่ในห้อง i c ซเนี่ยฉันจะทำอย่างไรเห็นภาพของคนที่ตัวเคยไปเยี่ยมอยู่ในห้องไอซก็นึกว่าตัวเองต้องลงเอยแบบนั้นก็ทุกข์ที่ตกกังวลบางทีนึกไปกลถึงว่านอนจะต้องตายหรือนึกถึงว่าใครจะดูแลลูก ถ้าเกิดว่าฉันป่วยลักด้กวยฉันตายแล้วพ่อแม่อะใครจะดูแลฉันแทนท่านใครจะใครจะดูแลท่านแทนฉันนะมันเป็นเรื่องอนาคตที่ยังไม่ไม่เกิดขึ้นและอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้แล้วคนส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยที่ถึงคนปกติด้วยเนี่ยทุกข์กัเรื่องนี้ใจอยู่กับอดีตบ้างลอยไปอนาคตแล้วก็ไปจมฝับอยู่ในอารมณ์แห่งความทุกข์ดึงเขากลับมากลับมาอยู่กับปัจจุบัน นะให้เขากลับมาบางทีอาจจต้องทํานทำให้เขาเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยตอนเนี่ยเขาไหวไหมเคยมีอมาจารย์เคยไปเยี่ยมคนเพื่อนที่เป็นเป็นมะเร็งนะเคยมีความกังวลว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยเครงจะไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวกลัวมากเลยอาจารยก็ถามว่าแล้วตอนเนี่ยไหวไหม เธอบอกไหวตอนเนี้ยนะไม่เป็นไรอาตมากเ็เลยบอกเนี่ยเออถ้าตอนเมื่อเป็นไรเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นไรนะใจเธอไปอยู่กับ อ, อนาคตแล้วทั้งที่ตอนเนี้ยเธอสามารถจะรับมือความเจ็บป่วยได้เธอปล่อยวางในเรื่องหลายเรื่องได้เธอไม่ได้ทุกข์กับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นะเพราะว่าเธอยังอยู่สติดี อตจารยก็บอกเลยนะว่าให้อยู่ให้อยู่กับให้ใจมันอยู่กับกับตอนนี้แหละนะถ้าวันนี้ไหวนะอย่าไปห่วงวันทุ่มนี้แนละ้าในสุดเธอก็ไปสงบเอื้อนสะ่วนใหญ่ตีตัวก่อนไข้นะเราต้องดึงมต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันบางคนเนี่ยร่างกายไม่เป็นอะไรนะถึงแม้วแต่ว่าสุดเพราะว่าหมอว่าเป็นมะเร็งระยะที่หนึ่งระที่สอง ร่างกายก็ยังปกติดีความเจ็บความปวดก็ยังไม่กำเริ่ยังใช้ีตามปกติได้แต่ที่สุดก็ราะอะไรพรคิดใจกายถึงโน่นแล้ววันที่ร่วมป่วยพังงาพังงานลนะ้วดึงจิตเขากลับมาเนปัจจุบันถ้าตอนนี้ก็ยังมีความสุขนะก็ควรจะเก็บเกี่ยวความสุขที่มีอยู่และนี่แหละนะันคือก็คือสิ่งที่อจากจะแนะนำคือให้อยู่กับความสุขในวันนี้นะ วันนี้ถ้าเรายังมีความสุขเนี่ยให้เก็บเกี่ยวความสุขที่เราสามารถจะมีในวันนี้ได้เช่นมีความสุขที่ได้อยู่กับลูกหลานก็ใช้เวลาเนี่ยอยู่กับลูกหลานมีความสุขกับการที่ได้ฟังเสียงเพลงก็ดีแล้วก็ฟังเพลงไม่ต้องปล่อยให้ใจลอยไปถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมีความสุขการกินอาหารมีความสุขการทําอาหารปลูกต้นไม้ก็ทําถ้าเกิดว่ายัางไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสือ แต่ถึงมาลูกหมอ น, นังสือนี่ก็ยังมีความสุขหลายอย่างที่เราสามารถที่เขาสามารถจะเก็บเกี่ยวซึมซ้ำได้ในเวลา น, นั้นเช่นการได้ฟังเพลงการได้อยู่กับลูกหลานนะการได้ทำสิ่งที่ชอบหาความสุขจากสิ่งเล็กๆที่มีอยู่รอบตัวเก็บเกี่ยวความสุขที่เขายังทำได้ในวันนี้ผูนะ้ ด, ดูแลก็เหมือนกันนะเคยมีผู้ดูแลคนหนึงเนี่ยมาบอก มาถามทมาว่าเนี่ยสามีเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาไมห่หายตอนนี้ก็นอนอยู่ที่บ้านตัวเธอวิตกรังวลมากว่าถ้าสามีตายแล้วลูกหลังใครจะดูแลแล้วเธอละเธอก็พวงแต่วิตกรังวนแต่เรื่องว่าถ้าสามีตายจะเกิดอะไรขึ้นแลวเธอกินไม่ได้นอนไม่หลับจนภายผอมอัตลากษณ์ก็บอกว่าก็เห็นใจนะที่สามีคุณ ประสบเหตุการณ์นี้แต่อยากจะบอกอยากนึิงนะตอนที่สามีคุณยังไม่ตายนะสามียังอยู่กับคุณไอเวลาที่สามีอยู่กับคุณเนี่ยมันกาลังหมดกำลังเหลือน้อยลงพุก ท, ทีใช้เวลาใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้มีความสุขในขณะที่เวลานี้ยังมีอยู่กับคุณทําดีกับเขามีความสุขร่วมกันทําสิ่งดีๆร่วมกันนะดูแล จ, จิตใจคุณให้ดี แล้วความทรงคุณเนี่ยมันก็จะส่งผ่านไปที่คนไข้คุณอา จ, จะช่วยเขาอาจจะช่วยเขาไม่ได้เหมือนหมอพยาบาลแต่คุณสามารถช่วยทําให้เขาใจก็สบายเธอก็ได้สตินะแล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยเริ่มกลับมาดูแลเนื้อตัวกลับมากินข้าวแลวกลับม า, าดูแลสุขภาพเพื่อจะได้มีความสุขร่วมกันกับสามีในขณะที่เขายังอยู่ไม่ใช่ไปขี้ข้ามช็อตแล้วเขากาลังตายหรือเขาตายไปแล้วนะอันนี้เราทํากับคนไข้ได้นะ พาใจใหกับอยู่กับปัจจุบันให้เขาอยู่กับความสุขในวันนี้แล้วก็รู้จักหาความสุขจากสิ่งเล็กเล็น้อยๆนะมันมีให้มันมีให้ได้ให้แต่เก็บเกี่ยวเยอะแยะอยู่ที่ว่าจะมองเห็นไหมส่วนใหญ่มองไม่เห็นนกเพราะใจมันอยู่กับอนาคตนะอันนี้เราไปถึงว่าการมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ด้วยนะบางคนใจมันจุจดตอดอยู่แต่ไอ้ร่างกาย อ, าอยวัยวะที่ป่วย อาตมาบอกกับคนไข้หลายคนนะว่ า, าคุณไม่ได้เป็นมะเร็งนะคุณแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวความสุว่าฉันเป็นมะเร็งความสุว่าฉันมีมะเร็งอยู่ในตัวนี่มันต่างกันนะความสุว่าฉันเป็นคนไข้ไตาวายกับความสุว่าฉันมีไตที่ไม่สมบูรณ์อ ย, Rabbi? อยู่ในร่างกายเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยหลายคนเจ็บนะอาตมาบอกคุณไข้า ย, ายวายว่าเนี่ยายคุณไม่ดีนะแต่ร่างกายคุณทุก อ, อ, อย่างเนี่ยมันยังดีอยู่คุณยังมีตามองเห็น นะคุณยังมีจมูกตกลิ่นหอมคุณยังมีหูฟังเสียงไพ่ล้อฟังเสียงลูกฟังเสียงสามีฟังเสียงหลานนะคุณยังเดินเหนไปไหนมาไหนได้นะหัวใจคุณยังเต้นได้ดีอย่าไปจดจ่ออยู่กับไตที่ไม่ดีอย่าไปจดจ่ออยู่กั บ, จจออ ก, บกับลําไส้หรือกอระเพาะที่เป็นมะเร็งในเมื่อร่างกายคุณอีกเกอย่างมันยังดีอยู่ชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่นะอย่าไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันแย่ แล้วถ้าเราเห็นว่า99อย่างเราอย่างดีเนี่ยเรามีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นะคนเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยก็จะลืมว่าเขามีสิ่งดีๆอยู่กับตัวอย่างไรบ้างตาไม่บอดหูไม่หกร่างกายไม่พิการยังไปไหนมาไหนทำอะไรไดนะ้ใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์ประโยชน์นั่นคือความสุข ที่เราสามารถจะยังมีอยู่ได้แม้กรทั่งเป็นคนป่วยแล้วก็ตามแม้กระทั่งถึงขั้นที่ติดเตียงแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถจะหาความสุขได้บางคนมีความสุขลกลมหายใจที่เข้าแล้วออกนะจิตมาสงบนะอยากก่าปฏิเสธความสุขที่เราสามารถจะเก็บเกี่ยวแม้ในายามที่เจ็บป่วยชวนให้เขามองด้านบวก อันนี้อาจจะอาจจะไม่อาจจะยากกว่าคนไข้ที่เขามองเห็นบวกเองอราจมาเจอคนไข้ที่เขามองบวกแล้วเข้าใจก็สบายคนไข้คนหนึ่งเนี่ยพาจิตอาสาไปเยี่ยมคนไข้เธอเป็นเด็กอายุสิสผมเธอร่วมหมดเลยเธอเป็นมะเร็งสมองจิตอาสาแปลกใจมากที่เธอเนี่ยที่คนไข้ในชวนจิตอาสาเนี่ยวาดรูปคนไข้อุภาบาสัยดีช่างชื่อเบกบาน ไปสักมาคนไทยบอกว่าเนี่ยหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกมีญาติคือเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองมะเร็งสมองนั่นเองบอกว่าโชคดีเลยแล้วจะมาเชื่อถ้าเราคิดบวกเนะ่แม้รทั่งเป็นมะเร็งมดลูกก็ยังสามารถจะบอกได้ว่าหนูโชคดีเหมือนกันหลายคนบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งหลายคนเพราะโชคดีที่ติดเชื่อชัย การมองบวกเนี่ยนะมันมันสามารถทําให้จิตมันหลุดออกมาจากความทุกข์ถ้าคนไข้เนี่ยเขาเห็นเองจะดีมากแต่ว่าบางทีเราอยากจะชวนให้คนไข้เห็นเนี่ยก็ต้องระวังอย่าไปยัดเยียดเพราะว่าคนเข้าเวลามีความทุกข์เนี่ยนยะสิ่งที่เขาต้องการอย่างที่ตะมาคือความเข้าใจยแต่ว่าการที่จะไปแนะนำเรขาบัอย่างเนี่ยก็ต้องค่อยๆทํา ประการต่อมาคือชวนช่วยเขาปดเพื่องสิ่งข้างคางใจนะฮะสิ่งข้างคางใจมีเยอะฮะความสุดผิดนะความห่วงใยมีหมอคนหนึ่งราย์ฟังฮนะเธอก็ไม่เป็นหมอรักษาคนไข้คนนี้คนไข้คนนี้เป็นมะเร็งระยะที่เป็นมะเร็งปอดระยะที่สี่ะะ 4, แถมติดเชื้อชยัยดีแล้วก็เชื่อก็อ เ, เริ่เข้าสู่ปอดและเข้าสู่กระแสเลือด ตอนที่ไปเยี่ยมคนไข้คนนี้เนี่ยนะเธอก็ปวดมากนะพยาบาลก็ถามว่าหมอก็ถามว่าตอนนี้อยู่ยังไงกลัวไหมเธอบอกกลัวตายหมอก็เลยชวนนะว่ามีสิ่งดีๆอะไรที่อยากจะเห็นก่อนตายบ้างเธอบอกอยากเห็นผ้าเหลืองของลูกชายอยากให้ลูกบวด เธอก็เลยไปคุยกับลูกชายแล้วก็ส า, ามีของเธอของคนป่วยลูกยินดีบวชแต่พ่อเห็นว่ายังบวชตอนนี้ไม่ได้เพราะเป็นช่วงข่ารันศาต้องบวชนอกพรรษาออกพรรษาก่อนค่อยบวชอย่าไปบวชกลางพรรษาที่จริงบวชเมื่อไรก็ได้นะความดีจะทําอะไรก็ได้แต่ว่าสุดท้ายคือว่าตอนนี้ลูกยังบวชไม่ได้คุณหมอก็มาเล่าฟังคนไข้เล่คนไข้ฟังค น, น, น, น, นไข้พอรู้เนี่ยแกเสียใจมากแล้วก็ไม่อยากคุยกับหมอ หมอก็ต้องหลบลบฉากวันรุกขึ้นหมอกไปเยียงใหม่คนไข้คนนี้ร้องร้องคราง ม, มากเลยปวดปวดมากนะน่าสงสารหมอก็เลยชวนคุยเรื่องให้เรื่องการทําบุญนะเพราะทีพ่พอคุยเรื่องการทําบุญเนี่จิตใจก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นเธอก็เลยพูดขึ้นมาเลยว่าเนี่ยเคยมีเคยไปหาพระแล้วก็พระมานั่งทางในแล้วก็บอกเธอว่า ที่เธอเจ็บป่วยเนี่ยนะเพราะว่าไอ้เจ้ากรรมนายเวยรเนี่ยเป็นผลของเจ้ากรรมนายเวยรที่เคยทําที่เธอเคยทาําบาป ก, กับเขาไว้แล้วเธอค่อยเปิดเผยเวลาอยู่กันสตสองว่าเนี่ยเธอเคยเคยท้องกับสามีคนแรกแล้วเธอต้องการทําแท้งไปหาหมอตำแ ย, ยหมอตำแ ย, ยเนี่ยนะแต่หมอหมอตำแ ย, ยเนี่ยหักคอถึงก้งงฟอกเลย เธอสุกผิดมากเลยและเธอรูสุกว่าเธอเป็นมาเลงเงินเพราเหตุนี้หมอก็เลยบอกว่าเนี่ยขอคุยขอเปิดโทรศัพท์พระลูกเนี่ยจะนิมนต์มาเพื่อมาคุยเพราะพระแนะนํำว่าให้เธอปฏิบัติธรรมแต่เธอปฏิบัติไม่ได้แล้วเธอก็อเลยอยากเห็นอยากเห็นลูกบวชไอ้การที่ลูกบวชเนี่ยมันเธอช่วยมันทําให้เธอเนี่ยได้ได้พ้นจากความรูสึกผิดแต่พอลูกบวชไม่ได้เธอก็ทุกข์นะ ก็คิดว่าถ้าพระเนี่ยมาชวนมาหาเธอเนี่ยอาจจะแนะนําเธอบางอย่างเสร็จแล้วหมอก็เลยชวนเธอเนี่ยนะน้อมจิตแผ่นเมืตาขออุปสิกรรมจากกรรมเจ้า ก, กรรมในเวรแล้วก็ชวนเธอสวดมนต์ทำไปได้แค่สิบนาทีนะเธอสบายใจแล้วเธอก็หลับไปเลยจากเดิมที่นอนไม่หลับที่ร้อมครวญครางนะตอนนี้หลับไปแล้วครับ ลราไปเพาะเราู้สึกสบายใจที่ได้กดเพิ่มความสุกผิดอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ขอเข้ามานะแล้เนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางทีเราต้องเข้าใจปมของคนไข้ซึ่งมันอาจจะไม่ได้สแสดงออกโดยตรงแต่เราก็ต้องพล้จากการสนทนาพูดคุยมีเวลาให้เขาชวนเขาทำบุญเ้าก็มีอะไรค้างคาดใจแผ่เมตตา การปล่อยนก ป, ปล่อย ป, ปลาก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งนะตามหลักศาสนาของชาวพุทธแต่จะเป็นชาวมุสลิมชาวชาวชาวคริสต์นะถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยเขาได้ทำความดีเพื่อระลึกถึงบุญกุศลหรือว่าสิ่งที่เขายึดเหนียวมันก็ช่วยทำให้เขาสบายใจเพราะเราก็ไม่รู้จริงๆ เ, เนี่ยเขามีอะไรที่ขังขาดใจหรือเปล่านะถ้าเรามีความสามารถก็ชวยเขาทาสมาธิ สมาธิที่ช่วยได้เยอะนะฮะพวกนี้คุณหมออมาราจะมาใช่ไหมฮะคุณหมออมาราเคยรล่ฟาฟังว่าเคยไปเ ย, ยเปนนี่ยมคนไข้คนนึงเป็นมะเร็งที่ลามไปถึงกระดูกแล้วคนไข้คนนี้เป็นหมออาจารย์แพทย์อายุ40กว่าท่านนั้นเองแล้วก็เขาก็ปวดมากนะหมอก็ให้ยาหมฟีนทุก3ชั่วโมงแต่คนไข้เนี่ยขอทุกชั่วโมงเลยนอนไม่ได้ต้องนั่งนั่งอกกองอก่องอขง ตัวซี่เหงือ่นี่เป็นตัวโตคุณหมอก็เลยชวนคน่ายทําสมาธิคนไข้บอกไม่เคยทําคุณหมอก็เลยแนะ น, ำนํำหายใจเข้าพุทหายใจออกโพทีแรกนึกว่า ท, นะทําทได้ห้านาทีก็เก่งแล้วเพราะคนธรรมดาเนี่ยนั่งทํานั่งห้านาทียังงหนยังงุนเก่งงุนง่านเลยแต่นี่เขาเจ็บจะทําได้ถึงหนาทีเพราะว่าสินาทีก็ยังนั่งอยู่สิบห้านาทียี่ิบนาที แล้วก็ยิ่ ง, งนั่งหลังก็ยิ่งตรงและผ่อนคลายเพราะว่าคนไข้ทําถึง45นาทีทําแล้วเนี่ยอบอกว่าอิ่งเหนือยนี่ก็หายเลยนะพอตัดพอลืมตาขึ้นมาหน้าตาเบิกบานแจ่มใสความปวดทุเรศหลุดไปเยอะเลยปากเป็นสีชมพูคุณหมอเมื่รัก็แปลกใจว่าไม่เคยทาสมาธิทําไมนั่งได้ถึง45นาทีอบอกว่าคนไข้เนี่ยเขามีสมาธิอก ง, งานพอสมาธิอก ง, งานไม่ใช่การต่าลงลมหายใจเนี่ย ก็ดีขึ้ตัวอย่างนี้ชื่อเห็นเลยนะว่าสมาธิเนี่ยมันมันช่วยเยียวยาบรรเทาความเจ็บปวดได้นะฮะแต่ว่าคนที่จะแนะนําได้ก็ต้องมีความรู้ ม, มีมีทักษะนะมีประสบการณ์การน้อมใจก็นึกถึงสิ่งดีงามสวดมนต์ก็เป็นวิธีหนึ่งนะเพราะการสวดมนต์จะว่าไก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งนะเมื่อใจเราอยู่กับการสวดมนต์เนี่ยใจก็จะลืมปวดได้ง่าย น, นะแล้วก็ยิ่งถ้า มีศรัทธาในสิ่งที่สวดนะมันก็จะเกิดความสุขใจขุจ้ารตรัต ว, ว์ศรัทธาย่อมทำให้เกิดปรามโมทปราโมทคือความความเบิกบานใจปรามโมทําให้เกิดปิติปิติความอิ่มเอิบใจปิติทําให้เกิดปัสสัทธิคือความผ่อนคลายกายและใจและทําให้เกิดสุขนะสุขก็ทําให้เกิดสมาธิในทางวทยาศกสตร์พบว่าเมื่อคนเรานึกถึงสิ่งที่เราศรัทธา ไม่จะเป็นหมอไม่ยเป็นพยาบาลไม่จะเป็นสิ่งที่สุดเป็นสิ่งสูงสุดเนี่ยนะมันจะมีสารของตัวเรามาช่วยเยียวยาบรรเทาความปวดเหมือนกับได้ยาบรรพ์ปวดแต่ไม่มีไซด์เอฟเฟกแล้วก็แต่แล้วก็ทํางา น, นคนละพาสเว่คนละคนละคนละคนละแบบยาอกัน น, นะแต่ได้ผลก็คือบรรเทาปวดช่วยเข้าให้อภยัยนะคร หรือชวนให้เขาพูดให้เขาภูมิใจในชีวิตที่ผ่านมานะมีการวิจัยพบว่าคนไข้เนี่ยหลายคนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเพียงแค่ว่าทำไงถึงจะมีชีวิตยืนยาวนะเขาสนใจเป็นห่วงเรื่องความสัมพันธ์กับคนที่เขาปูกพันุ์นด้วยเขาเขาอยากจะรู้สึกถึงการที่ชีวิตเนี่ย มันได้มีคุณค่ามีความหมายชีวิตแต่ละการเติมเต็มถ้าเราทำให้เขาเกิดความให้เขาเรารื่นึกถึงว่าชีวเขาที่ผ่านมาพิชิตมีคุณค่าเขาก็จะมีความสุขนะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยใจสบายนะซุ so, คือว่าช่วยทำให้เขาคลายคลายความกังวลนะคลายความสิ่งจิตติด้างคางใจบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีตัวช่วย เจอแผ่พฤติการทาสมุดเบาใจเนี่ยนะสมุดเบาใจเนี่ยนะอันนี้สําหรับผู้ป่วยรายสุดท้ายแต่ผู้ป่วยทั่วทไปก็อาจจะใช้ได้แต่ยิ่งจะมีความหมายสำหรับผู้ป่วยสุดท้ายมันจะมีหน้าหรือหน้าสิบสอเนี่ยจะมีข้อความว่าสิ่งที่ฉันเป็นห่วงและอยากฝากฝังนะหลายคนเนี่ยนะยังตายไม่ได้เพราะยังมีห่วงและยังไม่ได้สังเสียบางคนเนี่ยไม่ถึงกับใกล้จะตายนะเพื่อตะมาเนี่ย ผาตัหัวใจแล้วการผ่าตัดหัวใจเยมีโอกาสเสี่ยมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะตายหมอให้ยาสลบเธอไม่หลับนะเธอไม่สลบนะเพราะเธอเพิ่ง น, นึกได้ว่ายังมีเรื่องบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกลูกน้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการงานยาสลบไม่มีผลเลย น, นะาำยังไนยังไงก็ไม่สลบสุดท้ายต้องเอาโทรศัพท์เนี่ยมาให้คนไข้เนี่ยสั่งเสียลูกน้องบนเตียงนะ พอสั่งเสียเสร็จบอกเรื่องราเสร็จนะสลบเลยแล้วก็ผ่าตัดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราสามารถจะช่วยทําให้คนไข้เนี่ยเขาได้พูดถึงสิ่งที่เขาเป็นห่วงในอย่างฝักฝังเนี่ยนะมันทําให้เขาเนี่ยพร้อมที่จะรียกตอบสนองต่อความต่อการรักษาดีขึ้นหรือถ้าจะตายก็ตา ย, ยางสงบได้นะอันนี้สูตรวิจัยของเครือที่การนี่ไม่มรอธิบายมากนะฮะแต่ว่าอยากจะฝากเอาไว้ สิ่งที่ช่วยเตรียมความพร้อมในการติดใจของผู้ป่วยอย่างคือบรรยากาศนะบรรยากาศที่สงบนะสิ่งที่สถานที่ที่เขาคุ้นเคยเตี่ยมไปด้วยความรักหลายคนอยากจะตายที่บ้านเพราะหะไเพราะว่าเป็นที่ที่เขาคุ้นเคยคนส่วนใหญ่เนี่ยนะเวลาถามว่าอยากจะตายที่ไหนเนี่ยถ้าที่จะมาสอบถามดูอยากจะตายที่บ้านนะแต่จำนวนไม่น้อยเนี่ยไปหลงไปที่โรงพยาบาลอันนี้เพราะว่าคนไข้มักจะ ความต้องการของคนไข้มักจะถูกละเลยจากคนดูแลแต่ถ้าเกิดว่าช่วยเขาเนี่ยสามารถจะทําในสิ่งที่เขาต้องการได้เช่นตายที่บ้านเขาจะอาจจะตายสงบได้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ทํากับคนไข้ที่รู้สึกตัวเท่านั้นนะคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์คนไข้ที่เป็นผักทําได้เหมือนกันอย่าไปเชื่อว่าเขาไม่รู้เรื่องนะฮะคนไข้ที่เป็นผักเนี่ยบางทีเขาได้ยินตลอดว่าเราพูดอะไร อาจารย์อามรอนถ้าเป็นพระชาติอกฤษถ้าเล่าว่ายานท่านเนี่ยป่วยหนักแล้วก็ในสุดเป็นผ่าเป็นผ่ามาสี่ปีนะแล้ววันหนึ่งร่างกายอวัยวะบางส่วนนี่เกิดแย่หมอมาตัวแล้วบอกต้องผ่าแล้วต้องผ่าตัดใหญ่ด้วยลูกๆเนี่ยก็คือแม่น้าป้าของท่านอามโรเนี่ยก็มาปรึกษากันแล้วตกลงว่าไม่ผ่าอยากจะให้แม่เนี่ยนะ ไปสงบ ไ, ไปตามธรรมชาติไอตอนที่คุยกันนี่นะคุยกันข้างเตียง น, นะพอพูดจบบอกหมอจบนี่เดี๋ไม่ทันบอกหมอที่สามบอกได้ผนสรุปเสร็จนะคุณยายเนี่ยซึ่งสปีนี้ไม่เคยไม่เคยพูดอะไรเลยอยู่เดีพูดมาว่า thank you thank you สปีพูดคำเดียว thank you ทำไมพูดฮนะเพราะรู้ว่าเพราะได้ยินว่เาเขาคุยอะไรกันแล้วก็ ถ้ามันอยากจะตายแบบสมบูรณ์แล้วไม่ต้องการยื้อแล้วไม่กี่วันต่อมาก็เสียชีวิตเป็นผักนะฮะเขารู้ฮะเขาได้ยินวันนั้นทำกับเขาเนี่ยเหมือนกับที่เขาเหมือนกับเขารู้ได้อัลไซเมอร์ก็เหมือนกันนะแล้นี้ก็มีแปล์ที่ยังมีอัลไซเมอร์คุณอาบ้าคุณอัลไซเมอร์นะแล้วปรากฏว่าป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลต้องใส่ทิ้วนะพออาการดีขึ้นก็ถอด ต่อมาการเล่นแยบแย่หมอจะใส่ทิ้วแกบอกเลยไม่เอารู้เรื่องขึ้นมาเลยนะบอกไม่เอานะแล้วคืนสุดท้ายก่อนตายนะแกไปเข้าฝันหลานชายแต่งตัวสวยงามเลยมาลามาลาหลานนะในฝันนะฮะแล้ววันรุ่ขึ้นแกก็จากไปอาตมาไม่คิดว่านี่เป็นความบังเอิญ น, นะ คนข้าไอซเมอร์เนี่ยสื่อสารกับเราทางปกติไม่ได้ก็เข้าฝันได้เหมือนกันนะเพราะยังมีจิตที่สามารถรับรู้ได้แล้วเรื่องแบบนี้ตมาได้ยินมาหลายลายนะประเภทว่ามาบอกก่อนตายว่าฉันจะไปแล้วนะบางทีไม่ได้บอกหลานบางทีไปบอกเพื่อนของเพื่อนของลูกว่าฉันจะไปแล้วนะแล้าก็ไปจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตมาคิดว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยนะมันใช้ได้กับคนไข้ทั่วไป และมีประเด็นสุดท้ายอยากจะเสริมนะก็คือว่ามันมีตัวช่วยอย่างนึงนะที่มีผลต่อคนไข้สิ่งนั้นได้แก่ดนตรีเด็กทารกและสัตว์เลี้ยงในในเมืองนอกนี่หลายประเทศที่เดียวนะสัตว์เลี้ยงเนี่ย <c oughs> มันสามารถจะทําให้คนไข้เนี่ยรู้สึกสงดได้เลยแม้คนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะ คนไข้เนี่ยไม่รู้จำลูปไม่ได้จำตัวเองไม่ได้นะแต่พอมีแมวนะหรือหมาเนี่ยแมวมาตอนบนเตียงสามารถจะสงบเลยนะบางทีมีหมามานะก็สามารถที่จะเหมือนกับว่ารู้สึกผูกพันกับหมาทั้งที่อาจจะเป็นหมาแปลกหน้าเพลงมอกมีคนนึงเนี่ยแกไปนตัวสเมื่น Simon, นะ แต่ก่อนที่ตอนที่แกเป็นปกติเนะ่แกชอบฟังเพลงพอมาบ้านพักคณชลาพอเปิดเพลงกัน่นิ่งเลยนะนิ่งเป็นชั่วโมงเลยนะมันแสดงว่าสมองหรือจิตส่วนลึกของคนเหล่านี้เนี่ยเขายัางสามารถที่จะคอนเน็ก์กับบางสิ่งบางอย่างได้เช่นดนตรีเช่นสัตว์เลี้ยงหรือเด็กทารกนะสัตว์นี่ก็ยิ่งคนที่รู้สึกตัวได้นี่ช่วยได้เยอะนะเมื่อไม่เมื่อสักปีสองปีมานี้เนี่ยมีคนแก่คนหนึ่งนะ แกอาการหนักแกอยู่บ้านพักพันชลาแต่แกเคยอยู่บ้านตระหลังการหนักนะลูกก็เลยส่งมาบพระคุนชลาแล้วการแกก็แยกลงไปเรื่อยๆย่ไปเรื่อยๆจนใกล้าตายหมอก็ถามว่าความปรารถนาสุดท้ายคืออะไรแกบอกจากเห็นหน้าหมาหมาบ้านแกบอพระพันชลานี่ก็หา้ามเอาหมาเข้าไปนะความปลอดภนะัย safety แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะพยาบาลในเจ้าที่เนี่ยสามารถจะลักลอบเอาหมาเนี่ยชื่อ บ, าบาัอบบ้านชื่อบ๊อบบ้าไปให้ ไปให้คุณปูค่คนนี้ไอ้หมาของมันเห็นคนเจ้าของนะมันขึ้นเตียงนะตะกุยเลยนะปู่แกก็ดีใจนะร้องไห้เลยนะเห็นหน้าเจ้าบา้บาบ้าแล้วเชื่อไหมฮะไอ้ที่คนคิดว่าแกกำลังจะตายนะแกกลับดีขึ้ น, นดีขึ้นดีขึ้ น, นจนฟื้นขึ้นมาได้กลับบ้านในที่สุด น, นะที่หมอพอจะตายแล้วนะเจอหน้าหมาที่ดีขึ้นเลยนะแสดง ว, ว่าแสดง ว, ว่ า, ววาปัญหาแกไม่ใช่เรื่องกายเรื่องใจ แล้วคนไข้จำนวนไม่น้อยเนี่ยนะแม้แต่คนแก่เนี่ยมีปัญหาแบบนี้มีคนไข้คนหนึ่งนะแกคุณปู่ดีกว่านะภรรยาตายอยู่กันมาหกสิบปีนะพอพรรยาตา ย, ยแกก็หงอยหเหงานะแล้วแกก็เริ่มไม่กินอาหารแกก็เริ่มไม่ทําอะไร น, นั่งนิ่งๆหมดอะไรแตยอยากชีวิตแล้ววันนึงแกก็ขับรถลงขูนน้ําหมอสนิท ตำรวจสันติธรรมแกต้องการฆ่าตัวตายลูกเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงแล้วสุดท้ายลูกต้องพาพ่อมาบ้าพักคนชราเพื่อความปลอดภัยแต่สำหรับพ่อเนี่ยโมสูญเสียลูกแล้วนะไอ้สูญเสียภรรยานะั้นยังต้องจากบ้านที่รักที่อยู่กันมาหลายสิบปีสูญเสียอิสรภาพหนักกว่าเดิม น, นะเพรมาบ้นพักคนชราแหนักกว่าเดิมแกร้อ ย, ยนะแกไม่กินอะไรเลย แล้วเจ้าที่เนี่ยในพระพุชน์ชลาเนี่ยสุปตรงกันว่าแก่ตายแน่เพราะแกงอยแล้วเนี่ยแกนั่งอยู่บนเตียงไม่ทําอะไรแล้วบังเอิญบางพระพุชน์ชลาเนี่ยมีนโยบายใหม่พู้อำนวยการเก่ ง, กงมากมัแกเป็นคนรุ่นใหม่แกเอาสัตว์มาเลี้ยงแล้วก็คุณปลูกคนเนี้ยเจ้าที่ก็เอานอกแก้าสองตัวเนี่ยมาไว้ที่ห้องแก นกแก้วนี่ออกมาเป็นร้อยเลยนะแต่ว่ากระจายไปตามห้องต่างๆ <c oughs> จากคนที่ไม่พูดไม่คุยไม่ติดต่อสิงอะไรใครเนี่ยความมีนกแก้วมาในห้องก็เริ่มสนใจนกแก้วแนละ้วเริ่มปรับทานน่านนั่งท่านนอนให้เห็นนกแก้วแล้วก็พอเจ้าที่มาก็เริ่มคุยกันจากเจ้าที่ว่าไอ้นกแก้วตัวนี้วันนี้มันไม่กินอะไรเลยนะหรือวันที่็บอกไอ้นกแก้วตัวนี้มันร้องเพลงเพราะทั้งวันเลยนะคู่เนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่าคนไข้เนี่ยเริ่มกินอาหารนะ แล้วก็เริ่มแต่งตัวเองนะเริ่มมีชีวิตชีวาเริ่มกระชุ่งกระชวยแล้ววัดีคืนดีนะแกก็เดินออกจากห้องไปทำอะไรทราบไนะเอาหมาไปเดินเล่นเพราะว่า บ, าบ้านขาบุชราเนี่ยเขามีหมาส่ตัวกับนาอยอหกตัวนอกจากนกแก้ีร้อยตัวเนี่ยได้ข่าวว่ามีหมานะ แล้วก็หมาเนี่ยต้องดูแลกันเองพยาบาลกับคนไข้เนี่ยต้องช่วยกันดูแลไม่มีใครจ้างมาเพื่อมาดูแลมาหรือสัตเลี้ยงนะแกอาสาเนี่ยพาหมาออกไปเดินเล่นสุดท้ายนะแกดีขึ้นนะแล้วกลับบ้านได้นะฮะอันนี้แสดงว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันมันมีความสําคัญอย่างคนไข้เหมือนกันนะฮะพระอาตมาก็ฝากเอาไว้นะฮะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ผมจะติเองก็มี